ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาสซึ่งมาอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมาสติปัฏฐานสูตรแต่ว่ามีนัยยะที่พิสดาร น, น้อยกว่า ก็กำลังบรรยายมาถึงธรรมานุปัสสนาสปิปฐานหรือการตั้งสติตามลึกถึงธรรมธรรมที่ทรงยกมาแสดงทั้งหมดมันก็มีครบสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งกุศลแลกุศลและก็ะกอภิยากติจะมีหลักการวิธีการในการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปวันก่อนได้พูดถึง นิวรณะปะพระคือหมวดที่ว่าด้วยนิวรวันนี้เราเคยเจอมาในพระสูตรก่อนแล้วก็อาธิบายขยายความไปโดยพิศรานโดยนำเหตุเกิดและวิธีดับนิวร์ซึ่งพระตถาจารย์ได้แสดงไว้มาเสนอด้วยแต่ว่าในที่นี้จะพูดเฉพาะในพระบาลี โดยทรงแสดงเป็นช่ว ง, วงเป็นใจความว่าภิกษุในธรรมในนี้ตรงนี้ที่จริงเราจะแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏในโลกนี้ก็ได้ก็ครอบคลุมหมายความว่าเป็นเรื่องที่คนทุกคนซึ่งมีจิตสำนึกมองเห็นโทษของกิเลส มองเห็นคุณค่าของกุศลธรรมก็สามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งเราจะเห็นว่าในแง่ของความจริงอย่างที่เจ้าคุณเทพิริยาจารย์วัดธรรมมงคลได้นำเขาเรียกว่าครูสอนสมาธิหลักสูตรครูสอนสมาธิ นำไปเผยแพร่ในประเทศแคนาดาก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นในเวลารวดเร็วแล้วก็เป็นนันมากสามารถซื้อวัดของศาสนาคริสต์มาเป็นวัดพุทธได้รู้สึกว่า 6-7 เจวัดแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องของศาสนาอะไร หรือแม้แต่ที่ท่านไรโคเอนการ์อะไรที่อินเดียต่ก็เรียนวิปัสสนาไปจากประเทศพามา่าแล้วก็เวนเนียกำลังเผยแพร่อ ย, อยู่ในส่วนต่างๆของโลกได้ขยายสาขาออกไปหลายประเทศและคนที่เข้าไปปฏิบัติก็ไม่ได้เกี่ยวกัาศาสนาอะไร ก็เป็นวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าเป็นศาสนาของมนุษยชาติเป็นศาสนาของโลกเพระาะว่าทั้งหมดมันเป็นกฎธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในร่างกายและก็จิตใจของคนในศาสนาต่างๆเพียงเดยว่าเขาเรียก ธรรมะเหล่านั้นว่าชื่ออย่างไงเท่า น, นั้นเองแต่สภาวธรรมก็คือสภาวธรรมที่มาเกิดขึ้นแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงกิจเขาเป็นยังไงสิ่งที่ปรากฏแก่จิตเป็นยังไงมีเรกตุ้นให้เกิดขึ้นมันก็เหมือนกันทั่วโลกย่านในกรณีนี้ก็ส่งแสดงนิวรณ์ทั้งห้าประการนิวรณ์แปลว่าสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดี ก็กั้นไม่ให้ความดีเข้าไปสู่จิตได้อย่างต่อเนื่องและกั้นไม่ให้คนสามารถแสดงความดีออกมาได้อย่างต่อเนื่องในช่วงใดขณะใดจิตถูกรว ม, มรวมหรือนิวรณ์ในขณะนั้นจิตก็จะเสียศูนคือไม่สามารถสะท้อนธรรมะออกมาได้หรือไม่ไม่สามารถรับธรรมะได้ เช่นสมมุติว่าคนคนหนึ่งเขาพูดธรรมะได้ดีมากแต่พอดีเราไม่ชอบเราอาฆาตพยาบาทคนเหล่านี้อยู่คนคนนี้อยู่ภายในใจผัใจมันไม่พร้อมที่จะรับอ่ะจิตใจจะไปเสษมาตั้งแต่ตนแม้จะเป็นเรื่องของธรรมะแต่เมื่อใจไปเสษมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่จิตได้ พระนิบบอเหล่านี้ในที่ทั่วไปนี่ท่านจะเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ่มใจเป็นกิเลสระดับกลางาความจริงก็คืออาการของ โ, โรบปวดหลงเพียงแต่ว่ามันไม่แรงจนถึงก็ออกมาเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครอง ในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นหรือรว่าตกเป็นทาของสิ่งเสพติดให้โทษเพราะสิ่งโน้นั้นที่จริงก็หยุดไว้ได้วยสีละเพราะระดับสมาธิมันเป็นเรื่องความคิดของจิตที่ปรุงคิดคิดปรุงไปด้วยแรงกำกับควบคุมของกิเลสเหล่านั้นทีนี้กิเลสมันไม่อยู่ภายในจิตอย่างต่อเนื่อง มันก็เกิดดับไปตามธรรมดาของมันเหตุปัจจัยกิเลสเกิดมันก็เกิดเหตุปัจจัยดับมันก็ดับธรรมะมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าใจคนนั้นเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือไม่นิ่งไม่ได้เหมือนกับพระอราหันต์ที่ท่านคงที่หมายความภายในใจของท่านไม่มีกิเลสอะไรเข้า ไปแทรกซึมได้จากข้างนอกก็ดีข้างในไม่มีเชื่อราข้างนอกมันก็สักแต่ว่าอารมณ์ก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าธรรมารมหรือรูปก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงเป็นต้นแต่ถ้าเป็นสามัญชนมันก็แข่งไปได้เลย เพราะในที่นี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคือคือจิตใครก็จิตคนนั้นมีการวิเคราะห์สืบสอบจิตเท่าที่มันปรากฏในแต่ละขณะในข้อแรกรับสั่งว่าเมื่อกามฉันทะมีอยู่หนาภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่หนาภายในจิตของเราคือเราจะเห็นว่าพวกเจโตปริยาเนี่ยรู้จิตคนอื่น จิตก็มีราคามีโทสะไม่มีโทสะในจิตจะรู้แต่เราเห็นว่าในจิตตานุปษษัสนาสติปัฏฐานเนี่ยที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จิตคนอื่นแต่รู้จิตของเราเองโดยการใช้สติสมัมปจญาในความเพียรเป็นหลักแต่เจโตปริยายนที่รู้จิตคนอื่นที่จริงรู้จิตเหมือนกันคือจิตเขามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสในแต่ละขะัะ มันเป็นความรู้ระดับหยาดหมายความเอาผลมารู้แต่ตอนนี้เอาเหตุมารู้เราจะเจ็นว่าสติก็ดีสัมผัสยากก็ดีความเพียรก็ดีก็คืออริยมรรต่ตัวยานเนี่ยมันเป็นนิโรธหมายความว่าพอถึงเจโตประญานมันเป็นจิตที่เป็นอย่างที่เขาเป็นพยานที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เสื่อมเพีงจะสามารถรู้จิตของคนได้ แล้วก็วางธรรมให้สอดรับกับิของคนได้ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าพระหันท่านแสดงจึงมีผลอย่างอาศัศจรรย์พราะสามารถอนุโลมตามคล้อยตามจิตไปได้เรื่อยๆดูจิตคนแล้วก็แสดงธรรมไปตามความคิดของเขาในแต่ละคณะคนก็คนฟังก็เกิดทึ่งอ่ะ เกิดสนใจเกิดศรัทธาเกิดเริ่มใสาอาการของอิทธิบาทเนี่ยมันจะหมุนตั้งต่อเนื่องไปทีนี้เราต้องมีสัจจะในตัวเองคือจิตเรามีกิเลส ข, ข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าต้องมีกิเลสแต่อย่างที่บอกว่าการเกิดของกิเลสและการเกิดของธรรมะมันไม่ได้เกิดตามลำดับในตัวหนังสือมันเกิดตามลำดับของเหตุปัจจัย ก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่ อ, อนเกิดหลังไงนะฮะแต่สรุปแล้วว่าอยู่ในแวดวงของพวกนี้แหละพวกห้าข้อนี่แหละในการเรียงนั้นท่านเรียงตามลำดับของโลกอดลงแต่ว่าการเกิดเวลาเขาเกิดเนี่ยคือจิตมันเสพขุนเรื่องอะไรเนี่ยจะเกิดเรื่องนั้นมากเช่นว่าจิตมันมากโดยราคะก็แสดงว่าการมฉันจะเกิดมาก จิตมากด้วยความหงุดหงิดความรำคาญความโกรธความพัฒสร้ายมันก็จะโน้มเอียงไปทางโธสะนี่มากมองอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดไอชอบไปหมดก็เกลียดไปหมดแล้วเราจะเห็นอาการเข้มข้นของกิเลสตามมาอย่างยกตัวอย่างในกรณีที่ทางรัฐบาลออกชี้แจงในกรณีของการทำบุญประเทศ ก็พูดถึงการใช้โบสถ์พระแก้วที่จริงแล้วถ้าเราติดตามเหตุการณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าวัดพระแก้วเนี่ยมันเป็นวัดนะฮะมีฐานะเป็นวัดในพระบรมอาราชวังกิจกรรมบางอย่างเป็นกิจกรรมที่ทรงพระน ญ, ญาตไว้เป็นการถาวรนจึนเกิดให้ประชาชนเขาชมเนี่ยมันเป็นการทาวอนทุกวัน แล้วคนที่ทําหน้าที่เปิดทําหน้าที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สานักพระราชวังที่มีภารกิจตรงนั้นการเปิดการปิดก็เป็นหน้าที่ของเขาหรือวัวนธรรมสมุนะเราจะเห็นว่าประชาชนก็ไปใช้ในกิจกรรมทางาศาสนาเมือนกับวัดวัดหนึ่งเพียงแต่ว่าพระเทศก็เปลี่ยนกันปเทศพอมีกิจกรรมที่พิเศษพิเศษขึ้นมาเนี่ยเอกชนที่เป็นองค์กรเป็นสถาบัน เป็นกระทรวงอะไรต่ออะต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะขอพรรมราณชาต์ไปใช้ได้แต่ว่ากระบวนการเนี่ยคือคนดําเนินการจัดการปูอะไรใจทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องสํานักพระราชาวังที่จริงเป็นเหตุการณ์ปกติเราก็ไม่น่าเชื่อนะเป็นเหตุการณ์ที่ทำเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลของชาติบ้านเมืองแล้วก็สร้างสม า, านฉันท์ขึ้นภายในชาติเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเราไปปพิษุ่มกันที่ ส่วนน้ำพรหมดทั้งห้าศาสนาก็ไม่น่าเชื่อนะตั้งแต่เดือนเมษาแต่คนก็ทำมาเป็นประเด็นสร้างความสับสนได้นั้นแสดงให้เห็นว่าพอโทสะมันเกิดแล้วนี่โมหะมันจะตามทีนี้คนคนพอโมหะพอพอโทสะเกิดเนี่ยก็จะไม่คิดอะไร ตั้งทังที่ศาลตรงนี้จะรับมาสะสมมาเยอะคนที่ดูโทรทัศน์เนี่ยจะเห็นการใช้พระบูชสดวัดพระแก้วในกรณีนี้ตามปกติแล้วจะมีการถ่ายทอดสดนานบางทีเป็นชั่วโมงหรืออาจจะชั่วโมงกว่าแล้วแต่เขาจะติดต่อกันแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยเป็นเรื่องปกติธรรมดาพอประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยมานั่งอ่านแล้วก็ง ง, งเอ๊ะทำไมคนไม่เข้าใจเราก็เลยงงเลย แต่ถ้าเราดูสภาวะธรรมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะว่าอะไรก็ตามพอกิเลสแก่เข้านี่กระบวนการแกมาเลยโดยเจนว่ามันก็เกิดโทสะพอโทสะมันก็เกิดโมหะมันก็เพิ่มโทสะก็เพิ่มโมหะก็เพิ่มในพวกตัวเองนี่ใครแตะต้องไม่ได้แต่ก็พยายามแยกพวกเป็นเราเป็นเขา แล้วก็มุ่งเดี๋ยวทำลายล้างฝ่ายที่คนไม่ชอบมันก็เป็นดุริยางการทางจิตในความโกรธเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความรักเกิดจากความรักกรเด็บมันมันเป็นกระบวนการมันพอเรามองเข้าถึงตรงนี้แล้วเราจะเกิดเกิดเมตตากรุณาเกิดสงสารแต่บางครั้งเราก็สลด เพราะเราไปมองเห็นอย่างหนึ่งว่าเออคนเราเนี่ยไม่ใช่สังคมของการเรียนรู้คนไทยไม่ค่อยใส่ใจศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เรื่องอะไรเราพิสูจน์ได้ไงเราพิสูจน์ได้ว่ายอดหนังสือที่จําหน่ายได้มากๆเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ไม่ใช่เรื่องของสารคดีเป็นหนังสือบันเทิงเริงรมเป็นหนังสือที่มีความรุนแรงเป็นหนังสือที่ค่อนข้างหมอมเมา คนจะเสพเรื่องเหล่านี้มากเราสามารถดูในห้องสมุดทั่วราชอาณาจักรได้ว่าหนังสืออะไรก็ตามที่คนสนใจมากเนี่ยมันจะช้าจนถึงก็ซ่อมแซมแต่หนังสือบางเล่มนนจะวางปกยังเป็นบันเมื่อมัอนอนี้ที่จริงมันก็เป็นเป็นมาตวัดความสนใจของสังคมได้ปะมือนกัน คือทั้งหมดเด็พอเรามองโดยโดยสภาวธรรมแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอีกอย่างเนี่คทำนองคล้ายๆกับเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้คือถ้าเรามองลึกหนึ่งไปเนี่ยนะคือคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเราก็สงสารเราก็เสียด้เพราะว่ามันมีการพลาดพลาสูญเสียมากและในขณะเดียวกันผู้ฆ่าเนี่ยเราก็สงสารเขา เพคนเหล่านี้เนะี่ยจะมีทุกข์มากกว่าคนที่ถูกฆ่า ญ, ญาติพี่น้องก็คนที่ถูกฆ่าก็ทุกข์ในชาติปัจจุบันก็ทุกข์ในพบชาติต่อไปด้วยเธอจะนับถือศาสนาอะไรเธอเชื่อยังไงนี่ไม่รู้แต่ว่ากฎของกรรมมันเป็นกฎเป็นกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติไม่ใช่หมายความถ้าเธอไม่เชื่อแล้วเธอไม่ต้องไม่ต้องรับผลบาปมันไม่ใช่อย่างนั้นบาปมันเป็นสากลบุญมันเป็นสากลคุณจะเรียกยังไงไม่รู้ เป็นเรื่องของคุณแต่เมื่อคุณทําไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องชอดใช้ในชาตินี้แล้วก็ชดใช้ในชาติต่อไปแล้วก็ต่ อ, ต, อต่อไปเพราะอะไรเพราะเราดูในพวกวิบากวัตถุในเปตตาวัตถุเนี่ยบาปกรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรกหมกไหมเนี่ยมันบางอย่างเนี่ยมันนานเหลือเกินอย่างยกตัวอย่างว่ากากระเปร็ดนั่นก็เป็นกาแต่ แล่มันไปโฉบเอาอาหารซึ่งชาวบ้านเขาเตรียมจะนำไปถวายพระยังไม่ได้ถวายจิกไปกินไปสามคำนะตกนรกหมอกไหมามาสมัยพระพุทธเจนะ้าเนี่ยมาเป็นเปรตอยู่แถวภูเขาคิสกุตหรือว่าอาหิเปรตมันก็เกิดขึ้นมาจาก ทุบทำลายกุฏิของพระปฏิเกศาพุทธเจ้าแล้วก็เผากุฏิก็ไม่ใช่ฆ่าพระปฏิเกศาพุทธเจ้าแต่ว่าทำลายที่อยู่ข้างท่านตัวนรกเวจีกว่าจะผูดมาได้เนี่ยในตาตาอาจารย์ท่านบอกว่าแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งยอดอ่ะจะแสดงว่านานไกลมากเมื่อไรก็ไม่รู้พระสัติโกตเปรตเปรตที่มีคอนเป็นหมื่นหมื่นค้อนเนี่ยทุบตี ก็เกิดขึ้นมาจากการเอาทดลองศิละปะดีดกรวดเข้าไปถูพระเนตรของพระปัตเตกาพุทธเจ้าทรงพระนามบาสุเนตตะตกในรกรเบจีอยู่นานแสนนานแล้วก็ในสมัยพุทธกาลก็าบอเป็นเปรตพระเจ้าทรงแสดงอดีตตกรรมของคนหรอของเปรตเหล่านี้ให้พระอรหันต์สองรูปฟังเแล้วเราเร า, เรามองอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่า ถ้าเรามองถึงสภาวะธรรมแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าถูกบงการด้วยกิเลสที่แรงมากเป็นความมืดบอดในด้านการใช้เหตุผลใ ช, ช้สติปัญญาในการคิดในการตัดสินใจมีโมหะเยอะมีโลภะเยอะมีโทสะเยอะเห็นชัดเจนมากเราดูศพของพระที่ถูกฝันที่วัดพรมประสิทธิ์เวอร์วะเลยเยอะ ก็ เ, เอามาให้ดูแก่นะฮะนี่แสดงเป็นความรุนแรงที่มันกระทาย้ําหยี่ตด่ดศพทึ่งหมายความมักฟันทีสองทีทั้งของตายแล้วนะเหลือจากนั้นก็เป็นการฟันศพแสดงทุกโทษสษโมหะเขาถูกบงการจากกิเลสถูกครอบงําจากกิเลสถ้าเราเทียบเดี๋ถ้าเราเทีย บ, ยบมันก็เหมือนกับผีสิงไงนะเขาไม่ได้ทำด้วยลําพังเขา แต่ก็ทําเพราะถูกกิเลสควบคุมกํากับจนสูญเสียความเป็นมนุษย์ทีนี้การสูญเสียความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เสียเฉพาะตรงนี้แต่มันจะเสียตลอดไปพอตายไปเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นมนุษตกนรกหมกไหมขนาดไหนก็ไม่รู้ปัญหาเหล่านี้มันก็เริ่มมาจากจิตนี่แหละเริ่มมาจากจิตที่มีกิเลสประเภทต่างๆ พอแรงออกไปมันก็ล้นออกไปข้างนอกแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้พูดล้นนะพูดอยู่ข้างในกิเลสประเภทกามาฉันเนี่ยเป็นจิตประเภทเดี่วนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่จิตใคร่จิตปรารถนาจิตพอใจถามว่าอะไรล่ะมันก็ไม่อื่นมาจากวัตถุกรรมอีกแหละพอเดวนึกตรึกนึกมันไม่อื่นมาจากรูปเสียงกริรติผลิตภัณธรรมรม มันก็มีอารมณ์โลกอยู่แค่นั้นเองอะแค่อประการปัญจิตาเนียนึกด้วยอำนาจความกำลัดความต้องการต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นด้วยกำลัดเพลิดเพลินอยู่กับปัจจุบันหรือไขอยคว้าปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นในอนาคตเพราะเราเหนจิตมันจะวิ่งวิ่งไปย้อนอดีตบ้างเพลินกับปัจจุบันบ้างแล้วก็ไขอยคว้าอนาคตบ้างก็แล้วแต่จะปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาต้องชัดเจนวันนี้คือกรมฉัน จิตของบุกคลนั้นจะต้องชัดเจนว่านี้คือกรรารมฉันนะเป็นนิวร์เป็นสิ่งที่กั้นจิตเอาไว้ไม่ให้บรรลุความดีดแล้วจิตเราเนี้ยถ้ามันเกิดเป็นจิตก่อนจะดับคือก่อนเป็นตัวตัวจุติจิตเนี่ยนะครับหมายความว่าจิตจะ จ, จุติด้วยก ร, รมฉันอย่างนี้มันก็จิตตกหละงภูมิธรรมมันตก พที่จิตจะไปบาิก็ตกก็กลายเป็นอบายร่างต่างๆไปแล้นกตต็ต้องมองให้เห็นชัดทีนี้ถ้าถ้าไม่มีกรรมฉันคาว่าถ้าไม่มีกรรมฉันเนี่ยมันอาจจะมีกิเลสอย่างอื่นก็ได้อาจจะมีธรรมะ ก, ก็ได้แต่ว่าในที่นี้หมายความว่าถ้าจิตปราศจากกรรมฉันทั้ง แท่านฟังจะเห็นว่าที่จริงมันก็เหมือนกันกับกับในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าจิตมีราคาก็รู้จิตมีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะนั้นพูดในแนวจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานพอมาถึงตรงนี้ก็พูดถึงกา ร, รมฉันการมฉันก็ราคาก็คือกันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันแต่เราจะเห็นว่ากา ร, รมราคาอาจจะเข้มขน้นแต่ว่าตรงนี้พูดเฉพาะกร่มรวมใจ กามราคาอาจจะแรงหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้ก็แล้วแต่แต่สรุปว่เปลี่ยนเป็นกิเลสประเภทเดียวกันมันต้องชัดเจนในตัวเองเพราะว่ า, าท่าชีที่เราจะต้องมีต่ออารมณ์ซึ่งปรากฏในขณะนั้นนั้นมาจะต่างกันถ้าจิตประกอบด้วยกามฉันต้องชัดเจนในความเป็นโทษแต่ถ้าจิตปราศจากกามฉันก็ต้องประคับประคองรักษาจิตตรงนี้เอาไว้ให้ได้นาน หลัการปฏิบตัติไม่มีต่างกันเพราะว่าจิตที่ประกอบด้วยการมฉันน์มันอยู่ในกลุ่มสมุทัยแต่จิตที่ไม่มีการมฉันน์เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของนิโรธแต่ไม่ใช่นิโรธสมบูรณ์นะฮะหมายความว่าเป็นอาการปลอดจากกิเลสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีกิเลสข้ออื่นนะฮะในกรณีที่ไม่มีกิเลสประเภทการมฉันน์ก็หมายความมันต้องไม่มีกิเลสประเภทอื่นอยู Deadpool ่ด้วยก็แสดงว่าจิตก็ต้องสงบ ตามปกติก็หายากกันนะฮะใจิตจะเดินไม่ได้ขนาดนั้นส่วนมากแล้วมันก็เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นอกุศลข้ออื่นประรับสั่งว่าเมื่อหรือเมื่อกามฉันไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันเดินกามฉันธที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดอันนี้มองไปสู่อดีตนันต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ที่จริงเราก็มีสัญญานะมีความจำอยู่ว่าไอ้การมาฉันทาเนี่ยก่อนจะเกิด่มันเกิดไปจากอะไรคือถ้าเรามองให้ลึกมันก็การมาธาตุภายในใจอย่างไี้ว่าแต่เรามองว่าเกิดขึ้นมาจากการไปกำหนดอารมณ์กำหนดว่ารูปสวยเียงไปรอกหน่อมรสอร่อยสัมผัสน่าจากต้อง แล้วก็เกิดอาการที่ไขว่คว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นคือครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งเ น, นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดในแนวนี้อยู่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้กิเลสประเภทนี้นต้องเกิดทีนี้ถ้าเห็นเห็นไปอย่างนั้นก็รู้ชัดเจนว่าเออมันเกิดขึ้นมาจากการมองด้วยสุภาษัญญาหรือสุภาษณิมิต คำวสุภาพแปลว่างามนะแต่ว่าหมายความว่ารูปริงามแต่ว่าเสียงนี่ไปร้องกลิ่นหน้าหอมรสนี่อร่อยสัมผัสที่น่าจะต้องเพราะว่าเป็นส่วนที่จิตมันเกิดความใคราเกิดความปรารถนาเกิดความพอใจเราก็ต้องมองเห็นโทษแล้วก็หาวิธีที่จะดับเขาผมก็ถามว่าการมฉันที่เกิดขึ้นแล้วจะรัเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วย การละกรรมามัญฉาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะเราจะเห็นว่าระดับของสมาธิระดับฌานเนี่ยมันละกรรมามัญฉานไม่ได้แต่สยบหรือสงบกรรมามัญฉานไว้ได้ด้วยพลังของตัวสมาธิตัวเอกขตตจิตนยหมายความว่าถ้าจิตเราสงบอยู่เราก็สยบพวกกามฉันฉ์ไม่ได้แต่ก็อย่างที่ มีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆปรากฏในพระคำพี่เยอะนะฮะขนาดมหมาฤาษีก็ไลโกดอย่างพังเลยเพราะไปเจออารมณ์ชิจิตไปกำหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจขึ้นมาแล้วในการจะละได้เนี่ยละเข้าได้จริงๆแล้วก็ละระดับของพระนาคามีมกักคือหมายความว่าละโดยทั่วไปนี่ละไม่ได้แต่ข้อนล้หรอกเพียงแต่ลดได้ ทีนี้เราจะลืมว่าในตรงนั้นอันที่จริงมันมีรูปราคาอรูปราคาอยู่ด้วยในสังโยชน์ที่พระอนาคามีละไม่ได้ตอนอีกระดับหนึ่งซึ่งละเมีิดละใหม่มากมันไม่มีอาการของกิเลสป ร, รากฏหรอกแต่ที่จริงแล้วก็ก่อยเกิดกันยึดติดแล้วก็เบื่อกระทัหราบบกาลามโครุตการาบทรามบุตรก็ท่านก็ติดอยู่ในรูปประจานรูปประจานก็สแสดงติดอยู่ในอรูปท่านท่านก็มีอรูปราคาอยู่ ัลคนที่จะดับกรรมฉันได้เด็ดขาดทุกรูปแบบก็คือพระอรหันต์ท่านบอกว่าที่ละไปแล้วเนี่ยจะไม่กำเริบขึ้นอีกด้วยประการใดก็ต้องรู้ด้วยประการนั้นหมายความถ้าไม่เกิดอีกแล้วต้องโน่นะพระอรหันต์น่คนอื่นละเขาไม่ได้สามัญชนก็พยายามลดคือปัญหาที่อย่างประรอเนี่ยบอกว่าทำยังไงเราจะลดได้ละ่ะ ลดความรุนแรงบปัญหาต่างๆลงไปได้อย่างในกรณีที่มีข่าวนักเรียนอายุเพียงสิบกว่าปีสิบห้าถึงสิบเจ็ดปีรวมกันเป็นแก๊งถึงยี่สิบกว่าคนเอ๊ถามว่าเด็กนี้ไม่เด้หนังสือเหรอราเด็กวัยนี้มันต้องอยู่ที่ที่โรงเรียนนี่นะแล้วก็ไป จกชิงวิ่งราวชุดครานาจาย์คนไหนชอบใจก็ข่มขืนก็ทำทำเราเราเห็นว่าเป็นอาการก็กรรมฉันแล้วก็เป็นอาการขาองขโมหะด้วยพอเด็กนี้ยังนึกว่าถ้าเิอไม่เลิกในอนาคตจะลำบากมากแต่ปัญหาสำคัญว่าเราทำไงติดต่อเขาได้เราติดต่อเขาไม่ได้ ปัญหาสำคัญเวลาเนี้ยมันก็ลงไปอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่สถาบันการศึกษาซึ่งเด็กอยู่ด้วยนานกว่าเพื่อนน่ยนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเห็นว่าเด็กอยู่ที่โรงเรียนกับครอบครัวนี่มากกว่าที่อืน่นคือโยในให้พระนี่มันคงไม่ได้หรอกพระไม่มีโอกาสพบกับเด็กนานจะพบกับสักครั้งเด็กจํานวนนิดเดียวที่พระได้มีโอกาสเจอเนี่ยแม้แต่ว่าพยายามรณรงค์เรื่องครูพระ ในโรงเรียนครัว่าเวเนี้ยต้องการถึงห้าหมืนก็ดีนะฮะถ้าหากว่าท่านโรงเรียนเปิดโอกาสให้พระแต่คณนะสทรงเองก็ต้องตื่นตัวต้องให้การศึกษาอบรมต้องทำความเข้าใจประการอธิบายธรรมะแล้วให้เด็กเข้าใจแล้วให้เด็กปฏิบัติตามนี้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะให้มีขยันให้มีประหยัดให้มีความอดทนให้มีสมาคารวะอะไรเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะฉนั้นครูเองก็ต้องมีความสามารถในการที่จะใช้วิธีการสื่อสารติดต่อทำความเข้าใจกับเด็กแต่มาถึงตรงนี้ก็อย่างนึกถึงไอ้ข่าวที่ปรากฏทังสื่อบนชนที่พูดถึงอะไรพัญญากราบท้าสามีก่อนนอนนะฮะต่มาว่าแปลกนะสื่อสารมวลชนโอกเคกนี้มาเล่นนะ คือประโยคมันไปตัดต่อมาคือเราฟังปั๊บเนี่ยแสดงเป็นการเล่าถึงโบราณสังคมไทยโบราณเล่าครังและพวกผู้หญิงก็เก่งออกมาต่อต้านอย่างรุนแรงประชดประชันดา่าทอสารพัดอันนี้แสดงเราไม่เข้าใจถึงสภาวะธรรมเกรียนสาภาพจิตของคนให้เรานึกถึงสังคมอินเดียสังคมอินเดียครอบครัวเขาไม่รุนแรงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า ลูกทุกคนเนี่ยลูกเท้าพ่อแม่ขึ้นมาใส่หัวผู้น้อยเจอผู้ใหญ่ก็จะลูกที่เท้ามาใส่หัวเพราะฉนั้นครอบครัวออก็จะอบุ่นจะจะไม่ไม่ร่ารวยมั่งคั่งอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยมันมีหลักการตรงเนี้ยอย่าลืมว่าจิตที่ที่รับรู้การแสดงความเคารพของบุคคลอื่นเป็นจิตที่อ่อนโยนมันก็ต้องเกิดสํานึกว่าเออเราในเขากราบเท้าใช่นะม มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วต้องวางตัวเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีมันจะเกิดความสนุกมันเกิดละอายเก่ใจขึ้นมามันมแน่แน่นอนว่ากราบครั้งสองครั้งมันไม่เกิดหรอกทีนี้จิตมันจะอ่อนโยนต่อพัญญาพัญญาเองก็มีความรู้สึกเคารพรักในสามีเห็นไหมจิตมันจะเกิดกุศลในการทั้งคู่อย่าลืมว่าวิธีการเหล่านี้มันเป็นวิธีการวัดถึงสภาพจิตของคน คนหนึ่งที่ควรแก่การไหวเเเ่เนี่ยอัญเชลิการนิโยเนี่ยควรในการทําอัญเชลีเนี่ยมันต้องหน้าไหว้หน้ากราบสามีก็ต้องปรับตัวเอง เ, เราในคนก็ไหว้คนก็กราบท่านฟัง อ, งอาจจะเคยรู้จักพระนามสมเด็จพระมหาสมาเจา้าครมยาวิชานุรรธนะ ค, คือไม่ได้ตั้งพระไทยจะอยู่ตลอด แต่ว่าพอดีรู้สึกจะบวชพรรษาที่สามนะฮะรัชการที่หกราบเบญจางคปดิดน้องชายบวชที่ได้สามพรรษากราบเลยท่านบอกโอ้โหเราเป็นน้องท่านนะเราเป็น ร, รัษดรนะเป็นประสบนิกกรในแผ่นดินพระมหากษัตรมากราบในฐานะเป็นพี่เราก็ไม่ควรแล้ว ในฐานะที่เราเป็นราษฎรยิ่งไม่ควรที่ประมาทกษัตริย์จะกราบแต่ท่านกราบภิกขุภาวะคือความเป็นภิกษุแต่สินพระไทยเลยจะอยู่ตลอดไปคือจะไม่ทําให้พระบาทสมเด็จพระจุลจองพระ้าเจ้าอยู่หัรงเสียพระไทยว่าการที่จะทรงกราบพระเล็กๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะพระบทภาษาไม่มากแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นี่ทรงกราบ แล้วก็เราก็กลายเป็นเทพไมิศักด์ที่จุติมาหรือฟื้นพระศาสนาต่อจากพระบาทสมเด็จพ ร, ระจอมเกาจ้าอยู่หัวเก็ถือว่าเป็นพระบิดาทางการศึกษาประยะิยัติธรรมในประเทศไทยทีเดียวอันนี้คือคือคือแสดงให้เห็นว่าสังคมเนี่ยมันห่างเหินจากการคิดถึงธรรมะแล้วก็พยายามบิดเบือนนพยายามบิดเบือนข่าวสาร ที่เขาพูดเขาไม่ต้องพูดอย่างนั้นแน่นอนนะามาฟังปั๊บแต่มารู้ว่าต้องพูดเท่าความถึงโบราณเป็นการเล่าแล้วที่จริงก็ปรากฏในหนังสือสุภาษิตสอนหญิงสนทนผู้สนทนผู้เองก็เล่าคืออย่าลืมมาคล้ายๆกับทำนั้นในสาศรศาสนาที่จริงก็เล่าเป็นการสะท้อนธรรมมาจากสังคมปติกิริยาในสังคมนีำมาเล่าทศะพิรณาจะทำราชาารสังขารจากกบฏที่จริงไม่เรื่องเล่าเท่านั้นเลย เป็นเรื่องเล่าถึงพระมหากษัตริย์ที่เป็นยอดของพระมหากษัตริย์ว่าท่านมีคุณธรรมอย่างไรท่านปฏิบัติพระองค์อย่างไงต่ออาณาประชาราัฐดรนต่อประเทศของพระองค์เพราะฉะนั้นคนเห็นตามคอยตามก็ไปบัตรไปไม่เห็นตามคอยตามก็เราก็ไม่มีกษัตริย์ที่เด่นขนาดนั้นเราเห็นว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นนี่เคยมีคนเรียนแบบพระเจ้าอาโศก ในราชวงศ์กุดสารเนี่ยพระเจ้ากนิธกะมาราชเนี่ยก็เรียนแบบพระเจ้าโศกทั้งก็กลายเป็นอโศกราชาที่สองน้นก็เป็นอโศกราชาที่สองที่ญี่ปุ่นเองก็เป็นอโศกราชันที่สองเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงธรรมะและ้วยงลืมที่จริงมันคื อ, ค, อ, ค, อคือการปฏิบัติธรรมคนที่เขาไหว้เขากราบก็ต้องพยายามทําตัวหน้าไหว้หน้ากราบ คนที่กราบก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อคนที่ตนกราบจินมันจะอ่อนโยนด้วยกันทั้งคู่แล้วในสุดมันก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้อภัยอดทนเราเห็นว่าอย่างผู้ใหญ่ผู้น้อยกราบในท่านก็ลูกผัวผู้น้อยแสดงความเคารพผู้ใหญ่แสดงความเมตตามันอบอุน่นมันมันเป็นอุบายวิธีในการครองเรือนครองใจคนประการหนึ่งคือเข้าถึงใจ มันไม่ใช่ใช้คาว่ารวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตายอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่มันเป็นการข่มขู่เป็นการแสดงถึงความอาฆาตบ้าร้ายให้เกิดภาวะจำนวนจำยอมมันวิธีคิดอย่างเี้เราจะเห็นว่ามันมีลักษณะของโทสะลักษณะของโมหะอยู่ก็เป็นอาการก่อนอิวัดแต่มันเกาะล้นละตอนนั้นล้นออกมาเป็นวิจีทรจริต ในกอนตอนตอนต่อไปก็ทรงบอกว่าเมื่อพยาบาทมีอยู่นาภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่นาภายในจิตของเราพยาบาทเป็นกิเลสประเภทโทสะแต่ว่าเป็นการเก็บสะสมความรู้สึกไม่ดีด้วยความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคลอื่นไว้ภายในใจแล้วก็อาจจะสายคือถ้าปกติกิเลสสายนะฮะคือจะลือมัทธมั ก, ก็สายแม่แม่เจ้าก็สายเฉพาะกิเลส มันก็สายไปสู่อดีตอนาคตปัจจุบันก็อาจจะพยายามบว่าในอดีตกาเนี่ยคนนี้เคยทําอันตรายต่อเราเคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราเคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื่อกูลตสัตวสู่เราหรือว่าไปตัดสินเราเองในปัจจุบันว่าคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเรากําลังเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากําลังทําอันตรายต่อไม่ใช่กาลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตวสู่เรา รื่วต่อไปคิดตัวเองเป็นลักษณะของกิเลสเนี่ยเราจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยเป็นเป็นอาการผเด็ดการที่เราพูดผาดเด็ดการเนี่ยถ้าเราสาวให้ถึงจิตแล้วมันจะเจอกิเลสเท่านั้นเขาเองก็ถูกผาดเด็ดการมาคนที่ผาดเด็ดการนี่จริงเขาถูกผาดเด็ดการด้วยกิเลสคือหมายความว่ากํากับไว้ทั้งหมดเขาจะหมดความเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าจะเคลื่อนไหวไปตามกระแสของกิเลส ก็คล้ๆกับผีสิงนั่งกล่าวเนี่ยคือคนก็ขาดควาเป็นดวงตัวเองในรุษสงาเนี่ยพิษุที่เป็นบ้าเนี่ยก็ยกเว้นนะะไม่ปรับประบาดมาท่านจะหกคำเบนตีลังกาอย่างไงก็ตามคกอเป็นเรื่องของท่านไม่มีวินัยปรับประบาเขอยกเว้นให้ด้วยอมูลหาวินยัยก็แสดงว่าขาดสติหมด คนสติสมบูรณ์เนี่ยก็ไม่ปรับรบัติเพราะไม่มีอาบัตให้ให้ต้องไม่มีอาบัตให้ปราบคือพระอาหารหันต์เพราะเราเห็นว่าคนบ้านเนี่ยเป็นคนรับการยกเว้นเพราะแก่ไม่มีสติพระหานด้รับการยกเว้นเพราะสมบูรณ์ด้วยสติทีนี้พยาบาทมันก็เกิดมาจากเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตรหรือปฏิฆะสัญญามองกันในแง่ร้ายมองในแง่ไม่ชอบไม่รู้ฉันไม่ชอบอะ จะไม่ชอบมันชั้ก็หาเรื่องด่าแล้วทีนี้พอด่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็นเรื่องโกของเยอะไรทีเนี้ยหรือต้องการจะละเลยงั้นมันคนอื่นเปื้อนหมดเลยมันกลายเป็นไม่มีเหตุผลต้นอย่างอย่างเรื่องราวต่างๆเนี่ยในมิติทางศาสนาเราไม่พูดมิติอื่นในพิติทางศาสนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วคนเอาไปเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้กันเนี่ย พอเราฟังแนวนักการศาสนาเนี่ยโทรศัพท์คุยกันเลยนะโอ้โหทำไมมันโกหกขนาดเนี้ยเรียกว่าคนละเรื่องเดียวกันเลยนั่นคือแสดงว่าโทรศัพท์มันเกิดอ่คว า, ามอาฆาตพยาบาทอก็ต้องการอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพิฆาตเกณน์่ายอาสารกันเลยเป็นความรุนแรงเป็นความอาลัยโกรเป็นบาปปรกรรมที่คนเหล่านั้น คิดแล้วก็ทำแล้วก็พูดหม ด, หมดทางกายทั้งวาจาใจทุจริตหมดเป็นการแพร่ชเชื้อร้ายขึ้นภายในจิตของผู้รับข้อมูลข่าวสารนำมาเป็นจานที่เขานิมนต์ไปสอนนิเทศศาสตร์เชิงพุทธก็สมปรายโทบัณฑิตวิทยาลัยก็ เราจะเห็นว่าที่จริงหลักนิเทศเนี่ยถ้าคนอยู่ในกรอบของว จ, จีสุจริตได้นะหมายความว่าสุจริตคำเดียวแต่นั้นเองการสารทุกสารที่สื่อออกไปมันจะมีสัจจะมีเมตตากรุณามีเหตุผลมีสติปัญญาในในตัวสารเหล่านั้นและสังคมผู้รับสารเนี่ยจะรับประโยชน์ มันก็ทํานองคล้ายๆกับการเทศของพระพุทธเจ้านี่มีประโยชน์โดยส่วนเดียวอ่ะมันไม่มีโทษเลยอะไรก็ตามที่พระเจ้าทรงทรงแสดงเนี่ยนั่ น, น, นคือสุดยอดของสารที่สื่อออกไปแล้วก็เป็นบูชนาะตายาบาูชนาสุขายะโลกาณกรรมปายาหิตยาสุขายะเดียวก็สานังแต่จิตฟ้องเกิดเมตตากนาินะอันนี้จิตพยาบาทแล้วก็มองในแง่ร้าย ทีนี้ถ้าจิตไม่มีพยาบาทก็รู้ตามความเป็นจริงวันในขณะนี้จิตเราไม่มีพยาบาทถ้าเป็นกุศลข้อใดค้อหนึ่งเชนเมตตาเงี้ยพยาบาทที่มันโตกันข้างกับเมตตาแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวพยาบาทเนี่ยที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพวกนิวร์เนี่ยบางทีเราต้องชัดเจนต่อเขานะฮะคือพยาบาทอาจจะมี ค่าศึกรงกับพยาบาทเนี่ยคือเมตตาแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอาการที่เจือด้วยโมหะแล้วก็เจือด้วยโลภะเช่นคนที่เราเรารักใคร่บรไม่ได้อะไรตามที่ต้องการเนี่ยเราจะโกรธคนที่เป็นเหตุให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ หรือบางทีคนพยาบาทยังเกิดได้คนที่เราไม่ชอบแต่มันเกิดได้เกิดได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็เกิดพยาบาทต่อรับเพราะในแนวของเรียกว่าอาคาตตวัตถุมันจึงเกิดในกรณีที่เห็นคนอื่นทำความดีแต่ทาความดีกับคนที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็ตัวเองก็คือหมายความถ้าทำกับตัวนี่ตัวตัวก็เกิดชอบนะแต่ปฏิปทาองคนอื่น ก็เกิดไม่ชอบก็กลายเป็นอาฆาตพยาบาทแต่ก็รับสั่งว่าพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะละได้โดยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดโดยการมองในแง่หลมันก็ต้องมองกันในแงด่ดีโดยการละพยาบาทเนี่ยมันต้องละโดยเมตตาพูดง่ายแต่ว่าทํายาก เราเห็นว่าสังคมเราอ่อนแอมากอ่อนไหวมากแล้วก็ใบต่อเชื้อร้ายทั้งหลายเนี่ยอะไรที่เป็นความรุนแรงเนี่ยสามารถระดมคนได้เร็วมากเพราะตุกาลสิบหกสิบสี่ตุลาก็ดีนะหกตุลาก็ดีหรือว่าแม้แต่ว่าพฤษภาธมินก็ดีที่จริงสังคมควรคิดเป็นบทเรียนนะ ว่าทำไมพอเอาเรื่องเลวร้ายมาเป็นเกตเนี่ยจึงคนมาประชุมกันเยอะมากแต่ว่าเรื่องดีๆทําไมคนไม่เข้าไปไม่เข้าร่วมกิจกรรมแบบนั้นนั้นแสดงในความโน้มเอียงของสังคมแต่ไม่ใช่ข้อยุติว่าสังคมเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าคนส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างมากมันจะโน้มเอียงไปในลักษณะอย่างนี้ แ, แสดงว่าอะไรแสดงว่าพอจิตมันเกิดโทสะที่เราเรียกแนวร่วมเนะี่ยมันเกิดโทสะร่วมโมหะมันมันมันมันจะเพิ่มขึ้นความมืดบอดในดะ้นการใช้เหตุผลสติปัญญายในการคิดในการตรวจสอบในการเทียบเคียงนี่มันไม่เกิดเพราะไม่เกิดก็เลยถูกจูงไปเลยถูกลากไปตามกระแสก็แล้วแต่ใครจะพาไปไหนนะฮิลูสลาพาไปเรื่อย que. เรื่องของความอาฆาตพยาบาทจึงกลายเป็นเรื่องชี้รุนแรงก็ที่จริงก็โลภะก็แรงนะฮะอิเลสทั้งหมดมันก็แรงกันเนี่ยเมื่อในการที่จะละมันก็ต้องพยายามเจริญเมตตาแต่ละขาดละ่ะคนละพยาบาทได้ขาดแต่ตกไปโน้นเลยพระนาคามีเลยถ้าไม่ถึงนั้นก็ยากนะ คือจะละได้ยากก็เพียงแต่ลดก็แล้วกันน่ะให้อยู่ด้วยเมตตาได้บ้างทำจิตใจของตัวเองให้สบายไปบ้างก็จะเป็นประโยชน์ในการได้ชีวิตมาและในการครองชีวิตในแต่ละวันท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี